พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่23สาสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายนวักะนิบาทชุมนุมธรรมะที่มีเก้าข้อบรรณาสกะหมวดห้าสิบวรรคที่หนึ่งสัมโพธวรรคว่าด้วยการตรัสรู้ตรัสสอนให้ตอบนักบวชศาสนาอื่นถึงธรรมะอันเป็นที่อาศัยของธรรมะที่เป็นฝ่ายให้ตรัสรู้ มีดังต่อไปนี้พบเพื่อนที่ดีมีศีลถ้อยคำที่ขัดเกลอกิเลสรารบความเพียรมีปัญญาเมื่อตั้งอยู่ในธรรมะห้าอย่างเหล่านี้แล้วควรเจริญธรรมะสี่อย่างให้ยิ่งขึ้นคืออสุภะการพิจารณาว่าไม่งามเมตตาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน ตรัสว่าภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยด้วยเหตุคืออาศัยศรัทธาอาศัยฮิริอาศัยโอตตปะอาศัยปัญญาแล้วละอกุศลเจริญกุศลแล้วควรอยู่อย่างมีอุปนิสัยสี่อย่างคือพิจารณาแล้วเสพอดทนเว้นบันเทาพระเมขียะขอลาพระผู้มีพระภาคไปบำเพ็ญเพียร ตรัสขอให้รอก่อนเธอกราบทูลถึงสามครั้งก็ตรัสอนุญาตแต่เมื่อไปบำเพ็ญเพียรก็ถูกอากุศลวิตกครอบงำพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนเรื่องธรรมะอันเป็นที่อาศัยของธรรมะที่เป็นฝ่ายให้ตรัสรู้พระนันทกะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาค เสด็จไปยืนคอยนอกซุ้มประตูจนแสดงธรรมจบจึงเสด็จเข้าไปข้างในพระนันทกะกราบทูลว่าไม่ทราบว่าเสด็จมาจึงแสดงธรรมถึงเท่านี้คือมากไปตรัสตอบว่าเธอทำถูกแล้วบรรพชิตที่ประชุมกันนั้นควรทำการสองอย่างคือกล่าวธรรมมิกระทาหรือนิ่งแบบอริยะคือนิ่งอย่างรู้เท่า แล้วได้ตรัสแสดงธรรมว่าการมีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิภายในคือความตั้งมั่นแห่งจิตภายในได้ความเห็นแจ้งธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งถ้ามีครบก็สมบูรณ์ถ้ามีไม่ครบก็ขาดไปเปรียบเหมือนสัตว์สองเท้าสี่เท้าถ้าขาดไปเท้าหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วพระนันท ก, กะจึงแสดงอนิสงส์ห้าในการฟังธรรมและสนทนาธรรมตามการคือหนึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจของศาสดา 2. รู้อัฏฐะรู้ธรรมะ 3. แทงทะลุบทแห่งเนื้อความอันลึกซึ้งในธรรมะนั้นด้วยปัญญา 4. เพื่อนพรหมจารีสรรเสริญ หเมื่อแสดงธรรมภิกษุที่ยังเป็นเสขะย่อมพยายามเพื่อบรรลุ ธ, ธรรมที่ยังไม่บรรลุภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ฟังธรรมชื่อว่าอยู่อย่างประกอบธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตรัสว่ากำลังสี่คือปัญญาความเพียรความไม่มีโทษการสงเคราะห์ เมื่ออริยะสา ว, วกประกอบด้วยกาลังสีนี้แล้วย่อมก้าวล่วงความกลัวห้าประการคือความกลัวในการดำเนินชีวิตความกลัวถูกติความกลัวประมาทในที่ประชุมความกลัวตายความกลัวทุกขติพระสารีบุตรสอนภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องบุคคลปัจจัยสีคามนิคมและชนบทว่า ควรทราบโดยสองอย่างคือควรเสพและไม่ควรเสพกําหนดด้วยเมื่อเสพเข้าอากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมก็ไม่ควรเสพถ้าอากุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญก็ควรเสพตรัสว่าพระอรหันย่อมไม่ทาการที่ไม่ดี9ก้าอย่างคือจงใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เสพเมถุน พูดดทั้งท้งรู้สั่งสมบริโภคเหมือนเมื่อเป็นขครือขัดลูกแกะอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวตรัสแสดงในอื่นอีกคือพระอรหันย่อมไม่ทําการก้าวอย่างโดยข้อหนถึงาซ้ำกับเนื้อความก่อนข้อ6บอกคืนพระพุทธ7บอกคืนพระธรรม แปบอกคืนพระสงฆ์9บอกคืนสิกขาตรัสแสดงบุคคล9ประเภทคือพระอริยบุคคล8ประเภทกับอุตุชนพระอริยะบุคคลทั้ง8ได้แก่พระโสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธพระสกทาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทํ า, ท า, าทให้แจ้งสกทาคามิผล พระอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์และผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลรวมกับปุตุชนเป็นเก้าประเภทตรัสว่าบุคคลเก้าประเภทเป็นผู้ควรของคํานับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมคือพระอริยะบุคคลแปกับโคตรภู คือผู้อยู่ระหว่างปุถุชนกับพระอริยะเจ้าวักที่สองสีหนาทวักว่าด้วยการบันลือย่างราชสีพระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งกล่าวหาว่าเดินกระทบแล้วไม่ขอโทษท่านกราบทูลพระาศาสดาในที่ประชุมสงอุปมาตนเอง9ก้าข้อ คือรู้สึกตนเองเหมือนดินน้ำไฟลมซึ่งถูกของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งใส่แต่ก็ไม่นายไม่รังเกียจเหมือนผ้าเช็ดทุลีที่เช็ดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างก็ไม่นายไม่รังเกียจเหมือนเด็กจันทานซึ่งเจียมตัวอยู่เสมอเวลาเข้าไปสู่ที่ต่างๆเหมือนโคที่ถูกตัดเขาฝึกหัดดีแล้ว ไม่ทำร้ายใครๆเบื่อหน่ายต่อกายนี้เหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่คล้องซากงูไว้ที่คอบริหารกายนี้เหมือนคนแบกหม้อน้ำมันรั่วทะลุมีน้ำมันไหลออกอยู่ภิกษุผู้กล่าวหาก็กล่าวขอเข้ามารับผิดตรัสแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรว่าบุคคลเก้าประเภท ชื่อว่ายังมีเชื้อเหลือบาลีว่าสอุปาทิเสสามีเชื้อคือกิเลสเหลือได้แก่พระอนาคามีห้าประเภทพระสกัทาคามีหนึ่งพระโสดาบันสามรวมเป็นเก้าพระมหากติตตถามพระสาวรีบุตรว่าคนประพฤติรมจันเพื่อกรรมอย่างนั้นอย่างนี้หรือ ท่านตอบว่าเปล่าและตอบว่าประพฤตเพื่อรู้เห็นบรร ล, ลุทำให้แจ้งตรัสรู้อริยสัจสี่ที่ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ตรัสรู้พระสารีบุตรตอบพระสมิทธิว่าความตรึกซึ่งเกิดจากความดำริมีนามรูปเป็นอารมณ์ต่างกันเนธ่าทั้งหลายมีผัสสะเป็นเหตุเกิด มีเวทนาเป็นที่ประชุมลงมีสมาธิเป็นประมุขมีสติเป็นใหญ่มีบุญเป็นส่วนยอดเยี่ยมมีความหลุดพ้นเป็นแก่นสารมีอมตะเป็นที่อย่างลงตรัสว่าคำว่าฝีเป็นชื่อของกายนี้ซึ่งมีปากแผลก้าคือทวารก้ามีของไม่สะอาด สิ่งมีกลิ่นเหม็นสิ่งที่น่ารังเกียจไหลออกฉะนั้นจึงควรเบื่อหน่ายในกายนี้ตรัสแสดงสัญญาเก้าประการซึ่งมีผลอนิสงมากมีอามาตะเป็นที่สุดคือความกำหนดหมายว่าไม่งามความกำหนดหมายความตายความกำหนดหมายว่าน่าเกลียดในอาหารความกำหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง ว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่เป็นทุกข์ความกำหนดหมายในการละในการคลายความกาหนัดตรัสแสดงสกุลประกอบด้วยองค้าที่ไม่ควรเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งข้อหนึ่งถึงเจดังที่ยอ่อเวลาในหมวดเจเติมเพียงข้อที่8คือไม่เข้าไปนั่งใกล้ เพื่อฟังธรรมะและข้อก้าไม่ยินดีภาสิทธิ์ของภิกษุนั้นสำหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงอุโบสถประกอบด้วยองค์กว่ามีผลมากมีอานิสง์มากคือพิจารณาองค์แปดว่าได้ทำตามอย่างพระอรหันต์ดังข้อความในบทก่อนโดยเพิ่มข้อ9้าวว่าพิจารณาว่า ตนได้แผ่เมตตาจิตไปยังทิศ ต, ต่างๆตรัสเล่าเรื่องที่เทวดาปฏิบัติไม่ชอบในบรรพชิตในชาติที่ตนเป็นมนุษย์จึงเข้าถึงกายอันตำ่ำที่ปฏิบัติชอบเข้าถึงกายอันประณีตตรัสแสดงธรรมแกอนาถาบินธิกะเขรหาบดีเรื่องการถวายทานให้เห็นว่าเวลามะพราม เคยให้ทานอย่างมโหฬารแต่การให้ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันเพียงผู้เดียวหรือร้อยท่านได้บริโภคอาหารหรือการให้พระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระปเจกพุทธเจ้าท่านเดียวหรือร้อยท่านบริโภคอาหารการให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคอาหารการให้ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคอาหารการสร้างวิหารอุทิศสองสี่ทิศการถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระการมีจิตเลื่อมใสสมทานสิกขาบทคือศีลห้าการเจริญเมตตาเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยก็ยังมีผลมากกว่านั้นการเจริญอนิจจสัญญาคือความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเพียงชั่วเวลาดีดนิ้ว ก็ยังมีผลมากกว่านั้นหมายเหตุพึงสังเกตว่าการแสดงผลของความดีสูงกว่ากันเป็นชั้นๆนั้นไปสรุปลงที่เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นที่สุดเพราะเป็นเครื่องทําให้เกิดความเห็นแจ้งวรรคที่ 3, สามสตาวาสวร์คว่าด้วยที่อยู่แห่งสัตว์ ตรัสถึงมนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปเทพชั้นดาวดึงมนุษย์ชาวชมพูทวีปที่มีทางดีเด่นกว่ากันและกันฝ่ายละสามข้อคือมนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปเป็นผู้ไม่มีความยึดถือว่าของเราไม่มีความหวงแหนมีอายุแน่นอนเทพชั้นดาวดึงมีอายุวันนะสุขอันเป็นทิพย์มนุษย์ชาวชมพูทวีป มีความกล้าวกล้ามีสติประพฤติรมจรรย์อันยิง่งตรัสถึงม้าเลวม้าดีม้าอาชาในซึ่งมีอย่างละสามชนิดรวมเป็นเกเทียบกับบุคคลสามประเภทที่มีคุณสมบัติประเภทละสามชนิดรวมเป็นเก้าเช่นกันตรัสถึงทั้งหมดอย่างที่เคยตรัสไว้แล้วในบทก่อน ตรัสแสดงธรรมะที่มีตันหาเป็นมูลเก้าอย่างคือเริ่มแรกอาศัยตันหาแล้วเกิดการสแสวงหาอาศัยการสแสวงหาเกิดการได้โดยในนี้มีการอาศัยกันเป็นทอดทอดต่อกันมาคือเกิดการวินิจฉัยเกิดความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจการยั่งลงหรือปลงใจยึดถือเกิดความหวงแหนความตระนี การถือท่อนไม้สัตราการทะเลาะวิวาทการส่อเสียดการพูดปดและอกุศลระบาดทมเป็นอเนกอันมีการอารักขาเป็นเหตุตรัสแสดงสัตตาวาสที่อยู่ของสัตว์เก้าอย่างคือหนึ่งสัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นมนุษย์เทพบางพวกเปรตบางพวก สสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นเทพพวกลมผู้เกิดด้วยปฐมฌมานสาสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่พวกอาภากัสร์ลมสสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินนาหพรมห้า สัตว์เหล่าหนึ่งไม่มีสัญญาไม่สวยอารมณ์คือไม่มีเวทนาได้แก่เทพพวกอสัญญีสัตว์6สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะเ็ดสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะแปดสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากินจัญญายตนะเสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะ ตรัสว่าภิกษุผู้มีจิตอันปัญญาอบรมดีแล้วควรแก่คําว่าสิ้นชาติอยู่จบพรมจรรย์ทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกคือมีจิตอันปัญญาอบรมดีแล้วจนได้ทราบว่าจิตปราศจากราคะโทสะโมหะจิตไม่มีธรรมะที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะ จิตมีธรรมดาที่จะไม่กลับไปสู่ความกำหนัดในกามในรูปในอรูปพระสารีบุตรอธิบายเรื่องภิกษุผู้มีจิตอันจิตอบรมดีแล้วแก่พระจันทิกาบุตรในทํานองคล้ายคลึงกับข้างต้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอนาตถบินทิกะเครหาบรดีและสอนภิกษุทั้งหลายว่า อริยาสาวกสงบเวรห้ามีข้าสัตว์เป็นต้นได้และประกอบด้วยโสดาปฏิยังคะคือองค์แห่งโสดาปฏิผลสี่ประการเมื่อปรารถนาก็พึงพยากรเองได้ด้วยตนว่าเป็นผู้สิ้นนรกสิ้นกำเนิดเดรัจฉานสิ้นภูมิแห่งเปรตสิ้นอบายทุกขติวินิบาตเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปตรัสแสดงที่ตั้งแห่งความอาฆาตและเครื่องนำออกซึ่งความอาฆาตอย่างละ9ก้าอย่างสำหรับที่ตั้งแห่งความอาฆาตและเครื่องนำออกได้เคยแปลไว้แล้วเพียงแต่ตัดข้อที่สิบออกทั้งสองอย่าง ตรัสแสดงอนุปปานิโรธคือความดับโดยลำดับเก้าอย่างคือภิกษุผู้เข้าปฐมฌานความกำหนดหมายในอามิตรดับนอกจากนั้นเหมือนข้อสองถึงเกของเรื่องอนุปุภสังขารานิโรธที่แปลไว้แล้วตรัสแสดงอนุปพภะวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับ9้าอย่าง คือฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สีอันเป็นรูปฌานและอากาสานันจายตนะจนถึงเนวาสัญญานาสัญญายตนะอันเป็นอรูปฌานสีกับข้อสุดท้ายสัญญาเวทายตนิโรธพระอุทายีถามพระสาวรีบุตรว่าที่ว่าพระนิพพานเป็นสุขแต่ในพระนิพพานไม่มีเวทนาความรู้สึกอารมณ์ จะสุขอย่างไรพระสารีบุตรตอบแสดงความสุขเป็นชั้นๆตั้งแต่สุขในการมคุณห้าสุขในรูปปานสุขในอรูปปานสุขในสัญญาเวทายตานิโรธคือสุขในสมาบัติอันดับสัญญาและเวทนาความสุขในชั้นที่ต่ำกว่าย่อมเป็นเครื่องเบียดเบียนในวงเล็บอาพาธย่อมเป็นทุกข์ ตรัสว่าภิกษุผู้ไม่ฉลาดย่อมไม่สามารถเข้ารูปฌานป ร, รูปฌานและสัญญาเวทายตานิโรธได้ส่วนภิกษุผู้ฉลาดย่อมเข้าได้เปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่ฉลาดเที่ยวไปบนเขาที่ไม่สม่ำเสมอไม่ได้แต่ที่ฉลาดเที่ยวไปและตรัสสรู้ในที่สุดว่าภิกษุผู้เข้าออกสมาบัติข้างตนได้ อบรมสมาธิอันไม่มีประมาณดีแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งอภิญญาหกมีแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นตรัสว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะย่อมมีได้เพราะอาศัยรูปปานสีและอรูปปานสามในวงเล็บเว้นข้อสีโดยตรัสอธิบายว่าเมื่อเข้าฌานแต่ละข้อแล้ว พิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์จนถึงไม่ใช่ตัวตนแล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุก็จะสิ้นอาสวะได้หรือถ้าไม่สิ้นอาสวะก็ได้เป็นพระอนาคามีตรัสสรุปในที่สุดว่าสัญญาสมาบัติคือการเข้าฌานที่มีความกำหนดหมายเป็นอารมณ์มีเท่าใด การตรัสรู้อรหัตผลคืออัญญาปฏิเวทย่อมมีเท่านั้นส่วนอายตนะสองคือเนวสัญญานาสัญญาายตนะสมาบัติหรืออรูปฌานที่สกับสัญญาเวทาอิ ต, ตานิโรดนั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุเข้าฌานผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติในการออกจากสมาบัติอาศัยแล้วเข้าออกจากสมาบัติ พึงกล่าวถึงโดยชอบหมายเหตุเนวะสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทายตานิโรธเรียกว่ า, ายัตตนะสองในที่นี้ส่วนในที่อื่นเช่นในมหานิทานสูตรยัยตนะสองตรัสแสดงถึงอสศันยีสัตว์กับเนวะสัญญานาสัญญายตนะแต่ก็พึงทราบว่าในสูตรนั้นแสดงถึงแหล่งเกิด ส่วนในที่นี้แสดงการเข้าสมาบัติที่บันทึกไว้ที่นี้เพื่อให้เทียบเคียงประดับความรู้พระอานน์แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแสดงความน่าอัศจรรย์ที่พระผู้มีพระภาคทรงบรรลุโอกาสในวงเล็บหาช่องว่างได้ในที่แคบแคบคือแออัดด้วยกามคุณคือมีตามีรูป ตลอดจนถึงมีกายมีสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายแต่ก็ไม่ทรงรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนั้นพระอุทายีถามว่ามีสัญญาหรือไม่ตอบว่ามีถามว่ามีสัญญาอะไรจึงไม่รับรู้รูปเป็นต้นนั้นตอบเป็นใจความว่ามีสัญญาในอากาศในวิญญาณในความไม่มีอะไร คือเข้าอารูปฌานที่หนึ่งถึงสก็ไม่ต้องรับรู้รูปเสียงเป็นต้นได้หมายเหตุข้อความในพระสูตรนี้น่าพิจารณามากพระอานนท์สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าในที่แอบอัดด้วยกรมคุณห้าแต่พระพุทธเจ้าก็หาช่องว่างได้โดยไม่ต้องรับรู้กรรมคุณห้าคือมีให้รู้ให้เห็นแต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นได้ โดยวิธีเข้าอารูปฌานที่หนึ่งถึงสามก็เป็นอันตัดความสนใจในอารมณ์ที่เป็นรูปทั้งหมดได้ตรัสแสดงธรรมแก่พราหมณ์ผู้ถือลัทธิโลกายตนะสองคนผู้ถามพระองค์ถึงเจ้าลัทธิชื่อปูรณะกัสปะกับมิครนธนาตบุตรโดยตรัสปฏิเสธที่จะวิจารณ์ว่าใครดีกว่าใคร แต่ได้ตรัสธรรมะว่าบุรุษสี่คนมีฝีเท้าเร็วอย่างยอดเยี่ยมออกเดินทางหาที่สุดโลกโดยไม่หยุดเลยแม้มีอายุหนึ่งรอยปีก็จะตายก่อนไม่ถึงที่สุดโลกที่สุดทุกแล้วตรัสแสดงกรรมมาคุณห้ามีรูปเป็นต้นที่น่าปรารถนรักใคร่ชอบใจแล้วตรัสถึงภิกษุผู้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม เข้ารูประชานสีอรูปฌานสีและสัญญาเวทะยิตะนิโรธสิ้นอาสวะคือสิ้นกิเลส ท, ที่ดองสันดานตรัสชี้ว่าภิกษุเช่นนี้ชื่อว่าข้ามที่สุดโลกข้ามตัณหาเสได้ตรัสแสดงธรรมเรื่องสงครามระหว่างเทพกับอสูรเทพแพ้สามครั้ง แล้วก็กลับชนะโดยฝ่ายอสูรแพ้ถึงสามครั้งตรัสเปรียบเทียบกับการที่ภิกษุเข้ารูปปชาสีแต่ละข้อก็ทำให้มานเห็นได้ว่ามีเครื่องต่อต้านความกลัวซึ่งตนจะทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อเข้าอารูปปชาสีแต่ละข้อก็ชื่อว่าทำมานให้ถึงที่สุดมานก็จะไม่แลเห็น เมื่อเข้าสัญญาเวทะยตานิโรธก็ชื่อว่าทำมานให้ถึงที่สุดมารก็จะไม่แหลเห็นและชื่อว่าค้ามผลตัญหาได้ในโลกตรัสถึงภิกษุผู้หลีกออกจากหมู่บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุรูปฌานอารูปฌานและสัญญาเวทะยตะนิโรธเหมือนพญาช้างใหญ่ในปา่าหลีกตัวจากหมู่อยู่ตามลำพังฉะนั้น เมื่อประทับอยู่ในนิคมของแคว้นมัลละชื่ออุรุเวลกัสปักได้เสด็จไปพักกลางวันณนป่าใหญ่แต่ปุตตะเครืหบดีเข้าไปหาพระอานนท์กล่าวว่าเนคขมมะคือการออกจากกามหรือออกบวชเปรียบเหมือนเหวสำหรับตนผู้เป็นครหับบริโภคกามแต่ก็มีภิกษุหนุม่มผู้มีจิตยินดีในเนคขมมะ จึงขอให้แสดงเนคข ม, มะให้ฟังพระอานนท์จึงพาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงตรัสเล่าถึงพระดรําริและการกระทาของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ที่ทรงยกจิตให้สูงขึ้นเป็นชั้นๆจากกามขึ้นสู่เนคข ม, มะและรูปฌานสี่อรูปฌานสีกับสัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นที่สุด ครั้งแรกก็ยังไม่เห็นโทษในสิ่งที่ต่ำกว่าต่อเมื่ออบรมจิตให้มากจนจิตได้ตั้งอยู่ในธรรมที่สูงขึ้นแล้วจึงเห็นสิ่งที่ต่ำกว่าเป็นสิ่งเบียดเบียนในวงเล็บอาพาธเป็นทุกข์แล้วตรัสในที่สุดว่าตราบใดยังทรงเข้าออกอนุุพานิโรธาสมาบัติคือสมาบัติที่มีการดับสิ่งต่างๆไปโดยลาดับเก้าประการ ทั้งโดยอนุโลมคือตามลำดับทั้งโดยปฏิโลมคือย้อนลำดับหากทรงเข้าออกสมาบัต ด, ดังนี้ไม่ได้แล้วตราบนั้นก็ไม่ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมวรรคที่ห้าปัญจารวัก ว่าด้วยปัญจาละจันทะเท พ, พบุตรพระอา น, นุ์แสดงรามแก่พระอุทายีผู้ถามถึงเรื่องที่บุคคลจะบรรลุโอกาสในที่คับแคบโดยอธิบายถึงการที่ภิกษุเข้าฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานจนถึงสัญญาเวทายตานิโรธรวม9ก้าข้อแล้วชี้ว่าคำว่าที่คับแคบหมายถึงกรรมคุณห้า เลื่อนขึ้นไปจากชานที่หนึ่งถึงรูปฌานที่สรวม8ดข้อเป็นที่คับแคบของฌานที่สูงขึ้นไปแต่เมื่อถึงสัญญาเวทะยตานิโรธสิ้นอาสวะจึงชื่อว่าบรรลุโอกาสในที่คับแคบหมายถึงแหวกหาช่องว่างในที่แคบอย่างแท้จริง8ดข้อต้นเป็นการแวกช่องว่างได้โดยปริยายคือเพียงโดยอ้อม ข้อที่เก้าเป็นการแหวกช่องว่างได้โดยนิปริยายคือโดยตรงพระอนุนตอบคำถามของพระอุทายีเรื่องพระอริยบุคคลประเภทกายสัก ข, ขีปัญญาวิมุตติอุปโตภาควิมุตติรวมสามประเภทว่าได้แก่ผู้บรรลุอนุปุภะวิหารสมาบัติทั้งเก้าเป็นแต่ว่า บรรลุแปดข้อแรกเป็นโดยปริยายคือโดยอ้อมแต่บรรลุข้อหลังคือสัญญาเวทะยิตะนิโรธสิ้นอาสวะชื่อว่าเป็นกายสัก ข, ขีเป็นต้นโดยตรงคือนิปริยายพระอุทายถามถึงความหมายของคำว่าสันทิธิกธรรมคือธรรมะที่เห็นได้เอง สันติทิฏกันนิพพานนิพพานที่เห็นได้เองนิพพานคือความดับบริณิพพานคือความดับสนิทแต่ทางคานิพพานคือความดับด้วยองค์นั้นทิฏฐิธรรมนิพพานนิพพานในปัจจุบันพระอนุนตอบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่ภิกษุเข้ารูปฌานสีอรูปฌานสี เป็นธรรมะเป็นนิพพานที่ถามนั้นโดยปริยายแต่เข้าสัญญาเวทะยตะนิโรธสิ้นอาสวะเป็นธรรมะเป็นนิพพานชนิดต่างๆนั้นโดยนิปริยายคือโดยตรงวักที่ไม่จัดเข้าในหมวดห้าสิบ พระอานุนตอบพระอุทายีถึงคำที่ว่าเขมะหมายถึงความเกษมคือความปลอดโปร่งจากกิเลสผู้บรรลุความเกษมอมตะคือความไม่ตายผู้บรรลุอมตะอภัยหมายถึงความไม่กลัวผู้บรรลุอภัยปัจจัติหมายถึงความระงับ อนุปภะปัสสติคือความระ ง, งับโดยลำดับนิโรธความดับอนุปภะนิโรธความดับโดยลำดับโดยอธิบายถึงการที่ภิกษุเข้ารูปฌานสี่อรูปฌานสีว่าเป็นโดยอ้อมและเข้าสัญญาเวทยิตินิโรธว่าเป็นโดยตรง ตรัสว่าบุคคลลกธรรมะเก้าอย่างไม่ได้ไม่ทําให้แจ้งคือบรรลุอรหัตผลได้แก่ราคะโทสะโมหะโกทะคือโกรธอุปนาหะผูกโกรธมักขลบหลูบุญคุณท่านปลาสะตีเสมออิสาคือริษยามัชริยะคือตรณีส่วนฝ่ายดี คือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงการล่วงละเมิดศีลห้ามีการฆ่าสัตว์ถึงดื่มน้ำเมาว่าเป็นความทุรพลแห่งสิกขาควรเจริญสติปัฏฐานสเพื่อละความทุรพลแห่งสิกขาตรัสแสดงนิวรณหกามาคุณหมีรูปเป็นต้นอุปทานขันห้า คือขันธ์ที่ยึดถือมีรูปเวทนาเป็นต้นสังโยชน์เบื้องต่ำหคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุยึดถือกายของตนความลังเลสงสัยการลุกคลำสีละพรษความพอใจในกามความพยาบาทกติหคือทางไปหรือที่ไปห้าได้แก่นรก กำหนดเดราัชานเปรดวิสัยมนุษย์และเทพมัชริยะหคือความตรณีห้าได้แก่ตรณีที่อยู่ตะกูลลาบคำสรรเสริญและธรรมะสังโยชน์เบื้องสูงหคือความติดในรูปความติดในอรูปความถือตัวความฟุ้งซ่านความไม่รู้อริยสัจ ส, สีเจโตขีละห้า คือต่อของจิตห้าเจตาโสวินิพันธะหรือเครื่องผูกมัดจิตห้าแล้วตรัสแสดงว่าควรเจริญสติปัฏฐานสี่ควรเจริญความเพียรชอบสี่ควรเจริญอิทธิบาส4ีเพื่อละธรรมะเหล่านั้นตรัสว่าควรเจริญสัญญาคือความกำหนดหมาย9ประการเพื่อละอุปกิเลส16 มีราคาเป็นต้นจบพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่23สาจุมนุมธรรมะที่มีเจ็ดแดและ9ข้อ